อระหังสัมมาสัมบุตโหะมหากาวพปุถังภะกันตาังอะพิวาเท ปัโนอมภะกว a โตวสาวาคาสังโฆสังฆนามินะโมตัสสะอมภะกวาโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม h มถะสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโมถะสะ ตังโคปันนาภะคะวันตังเอวาการลายานุกิติสะโทอาภูขาโตเอเตปิโสภะคะวะอารังสัมมาสัมุทโต เวสาสารนสัมปันนสุขะโตโลกะวิโทอนุตารโอปุริสาธรรมาสารติสัทธาเทวมโนสาณังพุทธมหากวะติ พุทวารันตวารตาติโกนาปิยุโตโสทาพิยานากรุณายสมาคัตโตโหเทศโยสุชาตังกามลังวสุโร วันธามต a m a r a n a ังส i ร a s a sinenang po toyosapana ah nang sarana h e m a m u t า m a n g p a t h a า a n u s a t วันหามิตังเสเรนะหังโหทาสะหาสะมิทาโซวาโหทเมสะมิเกสะโรโหทโตกาสาคาตาจ่าวิทาตาจ่าหิตสะเม โอตาสังลิยาเทมิสาริรันจีวิตังจิทังพรนหันโตหังจริสามิโอตาเสวาสุพุทตังนาทิเมสารานังอัญญัง พุทโธเมสารังวารังเอตนะชาจาวเชนะวาเทยังสาธุสาเสนโอทังเมวันหามานินายังกุญญ์ยังปัสสุตังอิตา สาเภเปีตรายาเมมาเฮทตาเตะสหนวายวะเกิดสเกมังปะะังไมยยังูโทปติปันนัตจยังตังกาลันตะเรสังวริตุวะภทเท สว่างข้าตัภากาวตาธรรมโมสันเตตโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะเนยโกปะจต่างเวทิตาโพวิงโยหต สวาคาตะตาทีโคนาโยกาวาเซนาสซโยโยมะกะปากะปริยาิวิโมคาเพโทธามโมโกโลกะตานะตานหาิทธาริ วันทรรมามาหารางวรธรรมะเมตังธรมโอโยสาวปานินางสารางเขมมุตตานังโนติญาโนสติทานังวันธามิตังสิเรนะหัง ธมาาหสมิตาโซวาธรมโเมซาไกิสาระธรมโตุคาสัาตาจาิธาตาจาิตาเมธมมาสหังนิยาเทมิสาริรันจวิตังจิทาง วันทรโตหังจริสามิธรรมมาเสวะสุธรรมาตังนาติเมสาราอัญยังธรรมโมเมสารานกวรางเอเตนาชาจวาเสนาวาเทยังสาธุศาเสน ทามังเมวันหมานนายังบุญยังปาสุตังอิทาสาเพปิอันตารายาเมมาเฮสงตาจเตชาสาัสส ตาดันตเรซังวัดิทวสุปาติปันโนะมวัตโตสาวะกะสังโฆโอชุปาติปันโนะมหา a วัตโตสาวกสังโฆ ย a ย a ปฏิพันโนภะกวาตุสาวกัสังโฆสาวมิจิปติพันโนภะ a วาตุสาวกัสสังโฆยาติทางจตาริปุริสายุค n นิอาจาปุริสาบุคะละ เอสาภากาวตูสาวาคาสังโฆอะหุนิโยปาหุนโยทินิโยอันชลิการะนิโยอะโดตารังกุญญาเตังโลกัสสาติ สัทธัมมาโชวสุปาติปติกุณทิยุโตโยธาปิทโออาริยบุคคลาสังฆาเสโทเสลาติธรรมปาวราสยกายาติโตวันธารมธรตมาริยนาคานสุสุทัง สังโฆโยสัวพปานินังสาราังเอมามุตตามังตาทิยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังสังคาสหาสามิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสารโอ สร้างโคตุคัสคาตาจะวิธาตาจาริตาสมิงสร้างคสาหังลิยาเทมิสาริราชีวิการติธรรมวันหันตหะจาริสามสรางคโสปฏิปนตัง นาติเมสาระนังอัญญังสังโฆเมสาระนังวารังเอเตนะชาจาวเชนาวาเทยังสาธุศาสเสนสังขังเมวันธรรมเนนายางปุญังปสุตังอิธา ชาเปปิอันตรายามมาเหสงตาชเตชส ไปให้ทุกท่านชุมนุมเทวดาพร้อมกันนะครับสมนตาจังกาวาเรสุอาตาราคาจันตุเทวตาลาสาธามมโมุนิราจา ส, าสุนันตุ สัขโมกัดังสัเฮกามีจารุเปิริการตเตจันตลิเขวิมาเนเปราเทจัเมตารานคคาเนเข เตขุมมาจายันตุเทวาชาลัราวิสาเมยานคาคันทาพานาคาเตถันตาสันติเกยัง โมนิวาราวาจานังสาทาโบเมโสนตุธรรมะสาวนาคาโลอายามพัดหันตาธรรมะส n วนาคาโลอายามพัดันตาธรรมะสาวนาคาโล อายามพาทานตาอันธรรมยังบุทหาสาภะกวัโตบุพพากานะมะการังการรมเสนะโมตัสสะภะกวัโตอะระหัตโตสัมมาสัมบุาสา namo tathagata arahato s a ส m a s a m b o d h ท s a t t v a namo tathagata a r a h s a m m a s a m b h a t t v a b o d s a r a n o n k a c h a ธรรมสารนองกชามีสร้างขังสารนังกชามดูที่อภิบุธธรรสารนองกชามโดตที่อภิธมสารนองกชามโดตที่อสรงังสารนงกชามี ตาติยมปิบุตหังสารนองกัจฉามิตาติยมปธรมสารนองกัจฉามิตาติยมปสังฆสารนงกัจฉามินัติเมสารนองอยางโบทนเมสารนองวรัง เอเตนะชาชาวเสนาโสติเตหุตสก a านาติเมสารังัญญาธัมโมเมสารังวะระเอเตนะชาชาว e เชนาโสติเตหุตสกัา นาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะชาชาวเจนะโสติเตโหตุสปนามหากรุนิกนาโตอาทายาสภะปะนินาง โอเรตวาปารมีสภาวะปัตโตสัมโฆติมุตตังเอเตนะชาจาวเชนะมาหุนตุสัพุปะทวามาการุณิโกนาโตสุตายาสภาวะปานิยัง ภูเรตวาปารมิสาภาปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะชาจาะเชนะมหนตุสัพ a ปัตถวามหการุณิกนาโสุขายสาภานิยัง โรเรตวาปารมิสาภาปัตโตสัมโพติมุตตังเอเตนะชาชาวเชนะมะหุตุสาพุปะเถรวาโยจักขุมาโมหมะลาปะกะโตสามังวาพุทโธสุขะโตวิโมโต มาราสปาสาวินิโมจายันโตปาเปสิเคมังชนตังวินัยยังภูธังวรันตังศิระสานามามีโลกาสนาธันจวินายกัญจาตันเตจัสเตจยาสิเโหโต สัพพันตารายาจาวินาสัมมิตุธรรมโมทโชโยวิยาตัสสะสัตโตท้าเสสิโลกัสวิสุติมาคังเนียมิโกธรมมัตาชัสถารีสาตาบาโฮสันติการุสุติโน ทามวารันตังเซราสานามิโมหะปะทะละอุปัสสันตธาหังตานเตชะสัเตชัยาสิทธิโหตุสัพพันตารยาจาวินาสัมเณตุสัทธรมมเสนาสุขานุโค โลกาสัพพะปะกิเลสเชตตาสันโุสยังสันติโยสะโคจาสวาคาตธรรมังวิทิตังคารติสังขังวรังตังสิราสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสิลาทิถิง ปันเตจัสตาเตจยสิเตโหตสพันธรายาจวินาส a มเตุสมุทเทอทวีสังจารทวารทสังจารสหัสเกปัญจสัาสหสนนามรสาหัง เอสางธรรมนจัสรางขันจาอาจารีนันมะมิหังกรานุภาเวนะอันตาวาสะเพอุปาทเวอนิคันตรายาปินาสันตุอาศสัตโตสัมพุเถันตพัญญาสัญา ชาตุอิสติสหสเกเฆทัสสะตาสหสานินามิศิรสาหังเอสังขันจจะสังขันจ้าอัธเรนานามิหังนามากรานุภาเวนะขัวัสสะเพอุปัตเว อาเนกานตรายัปปิวินสันตอาศ e สัตสัมพุเทนะวุตตาราสเถอะทาจาริซาสหัสเกวิสัติสัทธาสหัสานินามิศราสหังเอสังธรมมาจาริสังขันธ อาตะเรนะนะมะมิหังนะมะการะนุภาเวนอังตาวสะเปอปาเวอาเนตรยเวินาสัตุอเสตุนโม阿ระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสโน น a มอ a ตตมะธรรมมาซาส a วาธาตัสเ n วะเทนิ a ะ a ามาหัสังคาซาเปิเวโสต i สล n ติทิโนนามโ a ม a ตยาร a ทัสสาราตนาตยัสะสะตุกัง namo m a g a d i p a s a t a s t a w a t a y a s a p i namokara papavena v i t a s a n t u patvara namokarapapavena suratihotusapta namokarasatecena เวทิมิโฮมิเอเชาวาอัสเเหวนาจพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจปูชาเนียนาเอตามังคารามุตตามังปาติโรปาเทสวะโสจ่า โบเพจักตาบุญญาตาอาตาสมาปันิทิจเจตามังคารมุตตมังพาหุสัญจรสิปัญจวินัยอจัสสิกิตโตโสภัสสิโตจายาวะเอตามังคารมุตตมัง มาตาปิโตุปทานังตุตาธาระสะสังขโหอานาคุลากจกรรมตาเอตาม m งคะลามุตามังทานันจธาหมจาริยาจายาตาทานันจสังขารโหอานาวาจานิกรรมานิ เอตามังคะลามุตตามังอะราติเวราติปะปะมะจ่าปนาจ e าสัญโมอะปะมะโตจ่าธรรมเมาสุเอตามังคะลามุตตามังระโวจานิวะโตจสันโตเทจกตันยุตตา กาเลนะธรรมะสาวนังเอตามังคะล t มุตตามังขันติจารสวาจัสสตาสามนาณันจดสนาวังกาเลนะธรรมะสัก g าเอตามังคะลมุตตมังชาโปชาปรามะจารย์ชา อาริยสัจนาทสนังนิ a านาสัจิขริย m จาริ a ามัง u ะระมุตตะมังโคตัสยาโลกะระเมหิตังยัสเนกัมปติอาศังวิราชังเขมังเอตามังคะระมุตตะมัง เอตาธิสานิกัตวานาสัพพะตามาปราชิตาสัพพะตัสโิงกาชันติตันเตสังมังคารมุตตามันติต่อไปเปิดหน้า26กกรณียเม ต, ตสุตัง การณียมาตากุสเลนะยันตังสันตังบาทังอาภิสัมมจจาสากุโฉชะโสโฉชะโสวิโฉชะสามุทุอนาทิมาณีสันตุสากุชะสุปารจชอาปาคิโฉชะสันลหูกะวุต จันตินาริยจันนิพพกจัน a า a ะกัปโุเลสุอนั i ุขิโตนจักุตังสมาจเรกิณจีเยนาวิญยูปะเอุปวยงสเขโนวะเมินโนุนตสาเสตาภวันตุสุขิตตตา เยเกจิปานภูตาตีตาสาวาทวรานาวาเซสาทิขวาเยมหันตาวามาชิมารัสสากาอนุกาธุลาทิทวาเยจาริทา เอจัตุเรวัสันติอวิทุเรอาวสัมภเวสวาสเปสะตาภาวตุสุขิตตานาบารอบรังเนโกเพธานาติมันเยธากาถาจินังกินจีอายะรูสนาปทิคาสัญญ นายามัญยาสตุกขามิเชยามาตายาทานิยมปุตังอายุสัยกะปุตตามโนราเขเอวังปิสัมภูเตสุมานาสัมาวิอัปาริมานังเนตังชาสาพโลกาสัมิอ มานาสัมภะวายะปริมา a ังอุตังอโทตัตติริยังจารัสมภางังเวร a อสัพพังเอ n ังจารั n ิสินโนวาสะโนวาเยาวัสสาวิชฐามิโตเอตังสัตติงอาิเทีย รัมมะเมตังวิหารังอิตามาหูเท็นตินจาอาดุปะคัมมาสิลาวาตัเสนนาสัมปันโนกาเิสุวินยเคขังนายชาตุคาบาเสยังปุนาเรติติวิรูปะเขหิเมเมตตา เมตังเอราปะเถิเมจะปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตามปเกหิจ้าอปาทาเกหิเมเมตังเมตังทิปาทาเกหิเมจะตุปาเถหิเมเมตังเมตังปาหปเถหิเม มามังอปาทาโกหิงสีมามังหิงสีทิปาทาโกมามังจัตุปาโทหิงสีมามังหิสีปาอุปาโทสาเพสัตถะสาเพ p านาสาเพภูตาสาเกวะลาสาเพพาทะรวิปัสสันโต มาเกณฑ a จิตอาปามาขมาอาปามโนพุทโธอาปามโนธรมโธอาปามโนสังโฆปามนาวันตาเสริงสาปานิอาหิวิชิกาสตาปัตติุณนานาพิสาราภูโมสิกา กตาเมระ k e a กาตา b มป t ริตากติกาบันทุพุทานิสหังนโมภาควาโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทตะนังอุเทตยัญจะคุมาเอกราชาอริสาวนโนปะทวิปภพาโส ตังตังดามาสามิหาลิสวาณังปทวิปภะสังตายาสักุตาวิหาริมุทิวาสังเยพระมานาเวทากุสะปะธรรมเม่เอเมนะโมเตจามังปาลัยตูนามาตุพุทธานานามาตุโคติยา นามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกต r วะโอโรจาติอสานาอภเพตัญจาคมาเอการาชาอริสวาโน a ท a วิป a ั a โ o ตังตังนามาสัมมิหาริสวันังปัตถวิปภาสังตายาชาคุตาเวหาเรโมรติงเอภะมันนาเวตาคุสัพพัทเมเตเมนะโมเตจามังพาลยันตูนามาตุคุถานังนามาตุโพธิยา นาโมวิมุตตานังนาโมวิมุติยาอิมังโสริตังคตาวามรวาสามกัมปิริตเปิดหน้าสามสิบสยันทุนิมิตังอวะมังคลานจาโยจามานาโปสาโคนาสาสโต ป่าป่คาโหตุสุปินังอากา t ตังปูทานุพาเวนาวินาสเมินตูยานทุนิมิตังอาวามังคะลานจาโยจามานาโพสกุณะสัตโตป่าคาโหตุสุปินังอ k ก n t ตัง ธรรมานุภาเวนวินาสเมตโตนุนิมิตังอาวะมังคลันจาโยจานาาโพสคาสสะสปะปะกโหตุสุินังอาคันตังสร้างคานุภาเวนวินาสเมตโต ทุคขาปตตาจันิทุคขาภัยปัตตาจันิภัยาโสกาปัตตาจันิโสกาองตุสัพเปปิปานิโนเอตวตาจามเหสามหาตังบุญยาสามบาตังสัพเปเทวานุโมทันตุ สภาสังพติสิทิยาทาหนังตาตันตุส ta ัตทายาสิลังลัก ah ันตุสัะตาภาวนาภิรตาหุนตุอาชันตุเทวตาคาตาสาเปหุทธาภะลาปตาปัเจกานันจายังพลัง อาระหันตานานะเตเชนะราคังพันธามิสัพพโสเราไปเปิดหน้าห้าสิบห้าจารธรรมโมหิจารงอนติตโตเรามีความแก่เป็นธรรมาดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ อายาที่ทำโมหิกายาที่อนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมะดัจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณธรรมโมหิมาราณะาอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมะดัจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สาเพหิเมเปียหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลาดกันของจะเริญนใจทั้งสิ้นไป กรรมสาโคหิกรรมฐานยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารานรามีกรรเป็นของของตนมีกรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกมัมการิสาม่กันไลยอนังว่าปะปะกังวะอวิสาไม่เราจะกทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาเราจะกเป็นหายากคือว่าจะต้องได้รับผลของการนั้นเสียไป พินาห์ปัจจเวคิตาภังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดยังโเมกาย ο, กายของเรานี้แหละโอทางตาท่าตาลาแต่พื้นท้าขึ้นมาอาตัวเกามัตถากา เบื้องตางแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดปุโรนาณะปะการ า, าสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกยนี้ เกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็ดทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนหารู้คือเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมีช้างเยอะในกระดูก ว่ากังม่าหาท่ ย, ยังหัวใจยากานังตับกีโลมากังผังผิดปีหากางไตบาภาสังปอดอ่านตังไสใหญ่อ่านตาผู้นงางไสน้อยอูทาริยังอาหารใหม่การิสังอาหารเก่า มารธาเกมารธาลุงคังเยื่อในสมองศีษาปิตาหนามดีเสมหังน้ำสเสเิด บ, บุโพน้ำเหลืองโลหิตางน้ำเลือดเสทโทน้ำเหงือเมทโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเอโลน้ำลาย สิงคานิกานามูราสิกานามไขขอ้อโมตังนามูเอวามายังเมกายูกายของเรานี่อย่างนี้โอทางปาทะตาลาเบื้องบนแม่พื้นห้าขึ้นมาอาโทเกสามาธาคาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไป ตาชาปารยังโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบตุโรนานปปะคาราสัสจิโนเห็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างต่างอย่างนี้แรงอหังสุขิตโตมีเนทุโคมีอาเวโรมี อะภิยาโชมิอะนิโคมิสุขีสาเพสาตาสุขิตาหนตูสาเพสาตาอเวราหุนตูสาเพสาต a อะภิยาปชาหุนตูสาเพสาตาอนิพาหนตู สัพเพสัตตสุขีอาตานังปริหารตูสัเพส a ตตส p พทุขะปะมุจฉันตูสัเพสัตตาราตัสัมปติโตมาวิคาฉันตูสัพเพสัต a กรรมสักะกรรมะทายะกรรมโยกรรมาพันทุกรรมะปฏิสารนา ยังกมรมการิสันติอะไรอนังวาปะปะกังวาทัสทายาทาภาวิสันติสัพเพสัตตาสดาหุนโตอาเวราสุขาชีวินโนก็ใสัตทั้งหลายอย่าได้มีเวงแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุงทุกเมือเ่อแทนการทางบุญยังพลังมาย่างสากพิาคีพระวันตุเตขอให้สาทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแลวนั่นเธอ